อเ น, นี้ยเจริญสตินะยาวเข้าไปแล้วจเจริญสติปรญสีนะนนเขาจะให้รู้สึกกายนนว<ด>ริพสนานะกายแปว่ากายเอ า, าเรีวยวออกไปมันมากถ้าพูดนิดเดียวกำมือลูกมาหยู่เหยียดมือลูกมั้รู้อันนี้ ม, มันรู้อันนี้นี่เองรู้อันนี้ไม่ใช่รู้นั่นเนี่ยเอาตอนนี้เอาคุณอะไรตนคุณสุดใจสุดใจกำมือรู้ไหมรู้เอาวอันนี้ อ, าอยากำมันหรือเกำมือรู้ไหมรู้เห ไม่รู้เห็นรู้เนี่ยมันมันสังารบานเล็กเรารู้เองเห็นไหมเนี่ยคนรู้มันจะมีสระแบบรู้จำรู้จักรู้จำเห็นรู้จักเอาไวเห็นจำรู้แก็คคือเรากรำเองรู้เองคนอื่นกรรมเราจะรู้ทําไมเห็นรู้จำเน่ยรู้จักแต่ไม่มีจำรู้แจ้คเนี่ยเรากำเองรู้แจ้ครู้จีมันจะมีสี่รู้ดังนั้นระดับปัญญาของเราก็จะไปตามําดับนั้นจึงว่าสี่คู่แปดรู้ เอสัก พ, พระลัโสสาวกสังคูนั่นแหละสงสาวกของพระภิกษุต่างดาวำลัพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงระดับแรกที่สุขที่มันลูบลูบ ม, ม้าเป็นเปลือกของมันเฉะนั้นสาวนาทำนาจนหมดอยากกินฟางอยากกินฟางอยากฟางกระเทีมยมให้วัวให้กวยกินให้วัวให้ควายบัน้ น, รวนวกระโดดมัวกวยมัวควายให้หววให้ก ว, ย, วยกิน เราจะไปกินใครไปกินมันขาคอลราตายจิ้ข้าวสุกอยากจะจิ้มข้าวเปลือกจิ้มข้าวเปลือกมึงเอาไปทําไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาไว้ให้มดกินมให้ตัวไกล้ตัวเปรตจิ้มินได้จิ้ข้าวสารไม่ได้มีแต่มดกิ้คนต้องกินข้าวสุกสาวผู้ต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้เป็นจตกพีมันอันนี้เป็นแปลนมันอันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกเราจะกอดจนตายแล้วไม่ได้เห็นนะ เราจะเอาเปลือกมันนัน่นไปปลูก บ, บ้านเราไม่ได้เอาต้องเอาใจการมาไม่เป็นอย่างนั้นถือผู้ไศาสนาต้องรู้จริงจริ ง, รงถ้าพวกเราเดี๋รู้จริงๆริงอย่างนี้ท่าทายได้ทุกคนแล้วอ้าวลับหล่อไม่ถึงสองปีเลยพวกท่านเนี่ยจากคุณใจเนี่ยทํางานอะไรเนี่ยอพ อ, พ อ, พ, อพอเนี่ยว่าอาไรไม่ทราบข้าาการคนละนาานเรืเรอ่องข้าราการคนละนาานเรื่องเนี่ยอาจายก็ออกไปเลยกรู้ทันทีเลย เรื่องมันก็เร็วเข้าเลยเนี่ยผู้โรเนียนจำนี้ก็อยู่เนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยสอนสั้นตัวใบขึ้นมาแล้วกระจายกัเข้าไปเมื่อกระจายเข้าไปเรื่อเมืองไทยเป็นกัะสอนดอกไม้ที่สุดไม่ถ้าเป็นการสอนเราก็ได้ที่ว่าเป็นเป็นดอกที่บานเนี่ก็ได้หรือมันกําลังจูงอย่างนี้ก็ได้มันสมมุติพูดแล้วทุกคนจะมาสมมาโดนกมันหอมธรรมะอันนี้มันหอมอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเขียนในพิเ็กเขียนในพิเภกจริงๆเขียนที่เับ หัดเขียนหัดอ่านเขาแม้เราพ่อเป็นคนบ้านนอกพูดจะไม่คล่องตัวอย่างที่พูดให้โยมฟังให้คล่องตัวมาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุนทรภามคนฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาหนึ่งยพูดเดียวนี้เนี่ยมีาการสมสมกอนให้ที่ที่ที่วัดสุนทรภามตรงนี้นั่นไปสอนให้ที่วัดสุนทรภามกับผู้วาดผู้วาดรจช ก, การเมืองนนท์ไปสอนให้ขัดพูดกับขอพอเป็นได้กะ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพอคอยฟังถ้าเหลพ่อพูดภาษาหนุ่มเห็นรักดอกเจียวทีเดียวเจีทีเดียว่ยยวจวีพวกท่านฟังไม่เต็มคอยฟังเะคนฟังภาษาหนุ่มเลยรับดอกวะไม่พลาดเดี๋ยวนี้พลาดแล้วคำพูดนี่พลาดตัวนสือแล้วพวกท่าจะฟังตรงทมันฟังพลาดควารู้คันตน้ตนรู้ลุ่หลังแก้ทุกทางใจอย่างไม่ได้แก้ได้คือไม่ได้ผี ไม่ไว่าเทวดาไม่เสื้อลืดงามงามดีไม่เสือ้อคาถาบุญไม่เสือเส้อจริงๆอันนี้รับรองได้ตอนเย็นมายลวงพอนู้สมทบของพินรับรองได้นี่อันนั้นมันเป็นกระพี้มันเป็นขาเป็นฟาง น, น, น, นันเอามาใช้บ้างบัดนี้พอดีเห็นของพิณอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เองรับรองได้ว่อานี่ นักออเทนี้ไปเรียกว่าปฐมมาตร์ฐานปฐมยนเริ่มแรกที่สุดจิตใจคนเปลี่ยนจากสภาพหนักมาเป็นเบาเปลี่ยนจากสภาพมืดมาเป็นสวาน่างเปลี่ยนจากสภาพ ง, ง้อมาเป็นสะอาดเปลี่ยนจากสภาพไม่รู้มารู้อันนี้เรียกเป็นพระุมงคลขั้นต้นเรียกปฐมมาตร์จานได้มันดีนะ จ, จริงๆเรื่องนี้ขั้นที่สองหวมันยึดมั่นถือมันจากหายไปแปลว่าทุติยภารขั้นที่สาม สินปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นต้องรู้จริงๆสินจุลละสาคผไม่ใช่คนประละสาสินตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาติมาจนว่าเป็นนมไม่รู้ เ, เมื่อคั้นสามเนี่ยินักษาคนเนี่ยเป็นอะไรมาดูขั้นนี้สิรู้จากเรื่องสมบุกสองประเทศสมบสมถรสมถฐานะสงบุกแบบไม่รู้สมบอกอภิษษานายอะไรมันแจ้งข่าวจากเยงได้ เรื่องารกสวรรค์รู้จริงๆพอดีรู้จุกนี้เขาเรียกว่าสี่จุดแลรกนี่ปฐมสถานทุกสิส่งาการปัจจัการจากตูวทัศน์เป็นรวมตัวเข้ามารู้ทั้งหมดเลยรู้จริงจริงดูแลจากขยายตัวพังทลาย ไ, ไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดียวนี้เข้าใจเรารู้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้คนยังไม่ทำมันไม่รู้ถ้าจะพูดอย่างนี้เกาใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทํากันบ้าง ตั้งใจจริงๆนั่งอยู่นี่ก็ต้องเคลื่อนไหวฟังบ้างบางทีจิตใจมันคิดแวบบอกคิดแล้วรู้จักจับ จ, จุดเนี้ให้มันได้มันคิดแแบบอยากเข้าไปในความคิดตัดควคิดทีันทีมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแว บ, บพอดีมันรู้ความคิดขึ้นมาเลยรู้จริงๆความคิดมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็เวเข้าสติมันก็จะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวย นักมวยขึ้นเวทีมันจ้องไว้ผู้ละงานเขาไปซกหนึ่งกลืตาเลยซกพอดีลื้นตาผูต่อสู้มันจะโล้มทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันคนคิดมันจะคิดมาแล้วว่ามันไม่จะคิดปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีควมคิดจะถูกหยุดสมัครทันทีพอคะูต่อสู้ันนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนเน่ยอะไรแชมปนเปี้ยนเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีตําน่งอย่างนี้น่ะไม่ต้องอยากใครจะพูดยังไงทัน เขาบอกเขียนหนังสือก็เขียนทําการจะนั้นทําไปตามหน้าที่ยกคนรู้ทำมาอันนี้เราเป็นครูโรงเรียนก็นได้เป็นพอ่อเป็นแม่ก็ได้หรือเป็นข้าราชการท่านแหนะเป็นผู้ใหญ่บ้ันนั้นได้เท่านั้นเป็นตำรวจทหารได้เท่านั้นได้เพราะทําการทํางานตามหน้าที่ความุกจะไม่มีเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกแล้วมีแต่ความเจริญควาวหน้า ท, ทําไมาจรงไม่มีดอกไม้เมืองไทยลอง ด, ดู ถ้ามีความเจริญความก้ า, าหน้าอย่างเนี้เข้าใจว่ารับรองว่าทุกคนมาสนจริงๆทุกศา์ภาษาเดียวนี้เนี่ยที่ที่พูดให้ฟังไม่ใช่อู้ไม่ใช่ปุยแล้วนี่ยอย่างที่อาจารย์เนี่ยเขียนเราซไม่เป็นพูดภารรษาเขาไม่ได้เขาเลี่ยจ้างไปพูดให้เขาฟัางมีล่างไปแปะให้ฟังเสียเลยเขาคนไทยแทบๆพูดให้ฟังทํ า, ามำไม่ฟังเพราะเรื่องอะไร <S <S นี่แหละคนหนึ่งโอ้โหพูดปกติให้ฟังไม่ต้องกาอยังเป็น ดีเหมือนกันลองฟางดูท่านเองที่นำมาเล่าให้ฟังเนีย่ย <c oughs> พวกท่านเนีย่ยพูดภาษาก็ได้อะไรได้เท่านั้นล อ, ลองลองทําดูที่ถ้ า, ามันไม่เป็นยานคำพูดเนี่ยเขาอจะมาไปที่อย่างนี้ได้ <c oughs> จริงจริักนองจริงจริงขอใครข้ามาจากมือกันได้สามปีใครข้ามาจากมือกันได้สามปี <c oughs> ถ้าเดือนละหนึพันบาทเนี่ยสามปีจะคิดให้เลย <c oughs> ถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลย แต่ว่ากลัวจะยันมาได้ขอมาทมาไปกลัวจะจะมาให้เท่านั้นเอง <S 2> <S 2> <S อเรา จ, จะมาให้นั้นรับรองจริงๆตัวของหลวงพ่อเนี่ปฏิบัติสามเดือนเท่านั้นเองแต่ไม่เกินสิบวันนันรู้จริงๆเรื่องนี้แต่เป็นคนจริงซะด้วยนะเคยสอนมาเนี่เด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสามสิบวันคนมีอายุยางมากไม่เกินสามเดือนรับรองสอนมาแล้วนี่รู้เพียงแต่จะให้จิตใจเตือนจากสภาพเดินเท่านี้นะแต่ไม่ถึงที่สุก ข, ของพุกแล้วไปเลยนะ ไม่ตอบพูดเพียงแต่ไม่โกรธไม่ลุกไม่หลงเกาเนาะ่ย่นี้ก็พอเนะี่ยกินข้าวสบายกันนี่ไม่ต้องว่าที่เป็นอะไรนะเอาแค่นี้ก็ใส่ได้เอาใครกล้ามาสามปีพูดกันเลยเดือนเือัอราเท่เขาไหรสาม0 0น 3, บาทเอาถึงสามปีจะคิดให้เลยหรือมือบาทถึงสามปีจะคิดให้เลยจริงๆเรื่องนี้จริงๆ แกว่าไม่มีคนกล้ามาจับมืออย่างนี้เอาแบมือใครจะมาจับมาจับได้เเอาเลยไม่มีคนกล้ามาจับนี่เขาว่าพูดยีแต่ปากฟ้าสอนเขาอื่นวันก็รับทางพอน้ำตาลตาลกีเอาเลย รับรองได้มาอยู่ใกล้ๆไม่ใช่จะมานั่งที่นี่ไม่ใช่แบบกั้นมาอยู่ใกล้ๆสละเวลาการงานไม่ต้องทัดไม่ต้องทำอะไรสละเวลาต้องสร้างเจตสติเขานี่สามปีให้มัติดต่อกันเหมนือนลูกโซ่เดินๆหมูเท่าไหร่บอกมาเลยสองพันเอารับรองจากใครเดีรับสองพันทำทั้งสามปีทุกวันทุกวันจริงๆอาจากคิดให้เลยตั้งตามเดือเดือนมาจับเงินไว้กันได้ อยากให้เลยให้จริงจริงทำจริงริงมันไม่ขึ้นก uh ับบารมีคือคนบางคนอย่างที่ลุงพ่ออธิบายริชาของเขาเห็นว่าพี่ชาหลือพ่อท nah ี่ว่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่เอาคือเขาไม่เห็นเองเพราะว่าอาจจะบารมีเขาไม่ถึงวงคนเราก็อาจจะมองไม่เห็นที่เห็นพราะว่าสามปีก็อาจจะไม่ได้อะไรทิมบารมีก็ได้นับรองบอหวัาไม่ผ่านสามปีนี่ไม่ผ่านจริงๆอันนั้นคนนั้นเขาเป็นที่ทาย เขาไม่เสื้อเลยเขาไม่ทํามันเลยเขาบอกว่ามึงอย่ามาพูดให้กูฟังมึงเกิดบนกูมึงเกิดที่หลังกูมึงเกิดที่หลังกูกูให้เข้ามึงจริงมึงจะมาสอนกูเขาพูดประจังเต็มที่สาวเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไม่เชื่อฟังบอกให้ทํามือดูสิกู้ําเนียกูกับกูดูสิมึงจะมาสอนกูทํำไม่ อีกอ่างเนี่ยครับตอที่ผมฟังเมตทานี่คุณลุงพอบอกว่าเมืที้ก็พูดว่าถ้ามันคิดอยู่เพราะสติมันมาปุ๊บมันจะตัดหรือใช้ตาันคิแต่ลุงพ่อในขณะเดียกันลุงพ่อก็บอกให้ตามรู้สิ่งที่คิดมันก็ไม่มีการตัดสินตามรู้อยู่ตลอดไม่ต้งตามหลังตลอดไม่จะไปตัดอะไรเลยถ้ามันเข้าไปในคนคิดอคือให้มันคิดอย่าไปห้ามควมคิดเหมือนนักมวยขึ้นไปคู่ต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้มันจะรู้ซกทำไม เป็นเรียนมาจนจบแล้วคู่โต้ทุเมแมวจะซกผีคือเป็นเรียนที่ไม่ต้องไม่ต้องเรียนกับปูเลยยืงเอาคู่โต้ทุ่มมาแล้วซกหนูตาทีเดียวเนี่ยอันนี้ถ้ามันคิดมันคิดขึ้นมามันจะปุ๊บทันทีเลยทีแรกนักมวยหรือคู่โตสทุ่มันแบแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอาอย่งที่เแมวจักหนูเนี่ยมันจับแล้วก็ลากไปออกจับให้เข้าแมวกินแมวจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วหนูมาจับปุ๊บตายทันที นักมวยก็เหมือนกันที่แรกขึ้นในเวทีมต้องไหว้ครูหันหน้าไปที่นั้นหันหน้าไปที่นี่ไหว้ครูผลซกก็ไปละแพ้บ้างระมากบ้างบันนี้ไม่ต้องไหว้ครูกันขึ้นไปเฉยไม่ต้องไหว้ครูที่ตันที่นคอยดูแต่คู่ต่อสู้มาเอาซกเลยทีเนี่ยเอาแบบนี้แต่ให้มันมีคู่ต่อสู้มันเป็นคู่ต่อสู้เันจะซกได้ทำไมแล้วเอาซกลงๆนั่นแหละครัไม่ได้เรื่องจะไปห้ามให้มันชิดมันห้ามไม่ได้ ให้มันคิดมันยิ่งคิดเราจรึงรู้สว่าถาตอบ ม, ม, มันคิดเนี่ยให้รู้ว่ามันคิดให้รู้่ามันคิดมันคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะตามไปทีแรกเนี่ยพอดีมันคิดคนคิดจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าพอนี้คิดปุ๊บมันอยากรู้ทันทีเหมือนวิธีบวกกับลบลบออกลกออกมันจะเหลือแต่ตัวตัวเท่าตัวหมดศูนย์ mailbox, ไปศูนย์ไปเท่านั้นเองว่าจะให้ตัดไหะไม่รู้ไม่รู้จะว่าตัดก็ไจะรู้ลบก็ได้เรางะคำสมมุติพูด ทีแรกที่พูดให้ฟังเยดูเรื่องรูปนาดคนคิดมันจะยืดยาวไปลมันดีใจยืดยาวไปรูไป้ไปใต้ดินก็จะรู้ ม, มีเม็ดหินเม็ดไตมันจะรู้ไปจากนั้นแหละมันรู้ไปท่วงพอดีมาเห็นโอเคปุ๊บผมคิดเลยสายสั้นเข้าสั้นเข้าแต่ตัวนี้เนี่ยทาให้เป็นพระไม่ใช่พระอันนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอ น, นั้นพะอั น, นันจะรู้ที่ตรงนี้ พอดีทําเข้าไปเห็นของมคิดตัดหยิ่งปุ๊บตัดปุ๊บตัดปุ๊บตัวมันจะตั้งเขาจะจิตใจเราเตืเี้ยออกสภาพเดิมหนึ่งมันจะเบาใจเท่านัวเป็นพระตัวนั้นพอมืดมันหายไปแล้วเพราะเห็นของคิดเนี่มันพอดีมันคิดไปเห็นรู้เท่า ท, าทันทีนี่ควรเป็นพระมันไม่ยากมงดใจเดียวก็เป็นได้เลยฟังแล้วเข้าใจ ท, ทันทีนี่แหละพระแยกบุคคลขั้นต้นที่สุดเดียวพระโสดาบานันได้กระแสพระนิทา กระแสเขานี่พาเราขึ้นสูนงนีเง้เห็นควาคิดโอ้นี่เองมันก็รู้เนี่ยพระโสดาบันพระโสดามากักแป็ว่าคอยเอาสติมาดูจิตเนี่ยมกักแป็นว่าขอปฏิบัติเพื่อถึงที่สูงคนคุกตาลาพูดไม่อยากพูดเลยตำลาเอาไว้อาจารย์ไหนออกเถอะไม่เอาลนะนั่นไม่แน่ใจคำพูดเราไม่ต้องพูดเอาสติมาดูจิตไี่ยคอยดูมาอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนไม่ต้องมักก็ได้ มัมกเราไปว่าข้อปฏิบัติเพื่อที่คุณจะทุกครายๆคือเจะไปสร้างนาฏกรรมหรือที่ชอบแล้วเงินเราดีเ้าเขาเนี่ยเท่านั้นเองหรือดูความคิดมันเป็นคําพูดแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้พระที่สอนเําไมไ้พูดอย่างนี้ที่ที่สอนเนี่ยจะว่าอะไรก็ได้มักเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ถึงที่สุดมักคือดูจิตดูใจเมื่อใจน้อยคิดมาอยู่กับความเคลื่อนไหวเนี่ยที่สุดของทุกคนคิด เราจะดูที่มันพอดีเห็นนี่ปุ๊บจิตใจมันจะข่มโกรธมันจะไม่มีข่มโลภมันจะไม่เกิดขึ้นข่มลงมันจะลดน้อยไปลดน้อยไปเนี้ยลรวมากผลของมันคือมันไม่โกรธเนี่ยเขาใจอย่างนี้ว่าโสดามะโสดาผลสี่คู่แปลมอยู่นี้พอดีดูไปสร้างไปขวมยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะขั้นที่สองมันจะลดไปขั้นที่สามสิ่ปกติขั้นที่สี่ รู้เรื่องสมถะกรรมฐานสงบแดดนั้นสงบใต้โมหะสงบอยู่ในถ้ำคนอยู่ในถ้ำ น, นั่งสงบอย่างเนี้ยพอดีจุดไฟขึ้นไฟอยู่ข้างหน้ามืดมาข้างหลังเนี่ยไปมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเพราะเราอยู่ที่มืดมืดมันอยู่ในมือเรานี่เองดังนั้นสมถาถะกรรมาฐานจิตวิบตุอยู่ในขดสงบเพราะมันอยมืด อ, อยู่ในมือเรานี้ไฟดับเดินไปไหนมาไหนถ้าเดินมากระโดดเหวตายเลย แล้วออกจากถ้ำมาอยู่ที่แจ้งแจ้งเนี่ยมองดูไปถ่ายภาพอย่างนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปเข้าในถ้ามันสมมุติม่าในถ้ำก็คือการอยากเข้าไปในคนสงบพันนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้แต่มันพูดไม่เป็นเพราะมันไม่มีตัวจับมาให้ดูไม่ไม่เป็นเพียงพูดให้ฟังเท่านั้นนะ่ะมีความสงสัยต้องทําเองมันเกิดขึ้นมาคนที่รู้เน่ะจะไปสอนจะไปแก้ปัญหาให้จุก พระเป็นผู้สอนคนพระเป็นผู้สอนอันนี้พระอันนี้พระโดยสมมุติคนในสอนคนนั่นเป็นพระสอนวิธีดับทุกทางใจพระจึงมาเป็นผู้สอนพระจึงเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นครูสอนครูโรงเรียนครูโรงเรียนสอนเด็กน่ยมันจะครูสอนพระกับครูอันเดียวกันที่เราให้ฟังนี่จิงวะไม่ยากที่คิดว่ามันไม่ยากเนื่อว่าก <ส>ตัวเองทํามาแล้วนี่ไม่ต้องอาศัยบารมีนะบารมีเนี <laughs> ่ย <hum ains> ไม่ต้องพูดมันเลยฐานะเแี๋ยวพรหมีนะยิ่ททำเดี๋ยววุฒิมัทสนาบารมีเราไม่ถึงก็ขี้เกียจยิ่ิ่งถึงไปไม่สนใจจะถึงได้ถึงไม่ได้เนี่ยเอาข้าไปให้กินเอากินแม่อ้าปากขึ้นเห็นจะกินได้ทํา เขาอะหารเข้าในีปากก็ไม่กินเหมอนันมันจะปิดมัจมจนจะปิดเอาผู้ให้ฟังเอาตสติอุ้กหนูไว้มันจะเข้าไปในดำนี่น<ม>เนี่ยปรามีมันคิดตรงนี้เราเปิดอย่าไปนสนใจเ ร, รื่องปรารมีอะไรนะสนใจเรื่องขอคิดมันทุอยู่ที่นี้ย<ม>ินรับรองว่ามันรู้จริงจริงนะหนูเอาแม้สามปีอ่ะจริงๆนะเดือนละสองพันบาทเนี่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะเริ่มต้นไม่ต้องกลับบ้านเลยนะู่่เราจริงจริงเนี่ยรับรองม่า บทึกไว้วันเดือนปีบัทึกไว้วันนี้เป็นวันที่ยี่ยี่สิบสองมกราคมสองพ้าร้อยี่สิบหกตรงเดือนสามคืนเก้าค่ำวันเสาจังไลนะเสื้อยังไงหนูเชื่ อ, อแก้วแก้วแก้วฝนแก้วฝวนร อ, น อ, อดีนะเพือจะให้ให ใ, หให้ท่าดี หวัน จ, จ่นยเรีอ น, นนี้ไม่ถึงสองพันนะพอมปลายเดือนนะครับเดือนนี้ไม่ถึงสองพันพอมปลายเดือ น, นมีหวังมีหวังจะได้เงินสองพันไหมขอความลงตจริงรงัดรลงหวังวไม่เกินสามปีเจริญจริงนะคนโกรธมันจกหายไปเลยมันจะหนีไปเลยแต่ไม่เข้าเจย่านี้ยังมีแต่คำพ่อเราเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องดี ครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องไอการที่จะเอาสละเวลามาอยู่ตั้งสามปีออนี่คงยากท่านนี้ลงพ่อจะมีอะไรจะแนะนำไหมว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตแบบทุกคี่อยู่กับพวกการมารม อ, อะไรทั้งนี้จะช่วยได้อย่างไรบ้างยุนี้มันเป็นของนาอยากเพราะเราทำงานทำงานเราทำการทำงานจะห้ามไม่ให้คนอื่นพูดไม่ได้เราต้องดูใจเราคนอื่นพูดเข้ามาปุ๊บเราเรีมาดูใจเรา อย่าไปฟังนั้นมากเพียงจะจำความหมายเขาได้อย่างที่หลวพ่อพูดเนี่ยแล้วหูฟังหลวงพ่อแล้วมีสติเข้ามาดูตัวของเราเองเอดูเป็นไแม่ยียดูตัวเราแล้วหูฟังหลว พ, พ่อพูดนี่อันนี้ไปทําการทํางานอยู่กับบ้านกับเรือนล้างถ้วยล้างจานหรือเป็นค้าราชการเขียนหนังสือมือเขียนหนังสือบัด น, นี้คนอื่นพูดให้เรามือกะเขียนหนังสือหูฟังสติมันจะอยู่กับเรา มันได้ยินไม่ใช่ว่าสติมักเท็อยู่ที่นี่ทางบุตไม่ฟังคนท่านพูดไม่ดูคนท่านเดินมาอันนั้นมราเรียกว่าอะไรไม่ทราบถ้าจะพูดแต่มันก็หนักหนักไปแล้วก็พูดอย่างนี้นะคนพูดคนตายแล้วมันกินท้าให้เป็นนะไม่ต้องไปสอนมันอย่างนั้น่ะเราต้องฟังเป็นพอดีคนอื่นพูดเราก็ดูใจแล้วฟังเท้าเขาพูดอย่างนั้นเออดีๆนะคอยดูใจเมื่ออุตสตีอยู่นี่แล้วมันจะไม่โกง มันจะไม่โกจริงๆไม่โ ก, โกแล้วทำานทางานรก็ได้ย่าช่วยจะเป็นสักผ้ากระเป็นเนี่เขียนหนังสือกระเป็นไปจับผู้ต้องหาก็ได้ตํารวจเนี่ยจรินถ้าหาเนี่ยว่องตานประเทศชาติก็ได้ทางานตามหน้าที่ของเราให้เข้าใจงนะค อ, อยดูเพื่นเนี้ยเดินไปถ้ามันขึ้นรถเมกะเขาจับอยงนี้บ้างทำมือเหยียดมือบ้านเกาขั้นเกาเนี่ยอยากไปนั่งๆๆนิ่งๆอย่างเนี้ยมันได้กู น, น, นอนมันสงบโดยไม่เห็น บางที่เอาของไปขายเขาเอาไปหมดแล้วของหายไปแล้วขาดทุนแรงแล้วมองดูตรงนี้เอาของไปขายขึ้นจะไปเอาของฉันไหมจะไปขายในตลาดนั้นเนี่ยราคาเท่านั้นนะขอไหถามได้อย่างนี้แล้วก็ทำคนรู้สึกเรื่อยพอเดยมาคิดปุ๊บเอาไหมสิบบาทนี่ดิฉันซื้อมาย่บบาทแล้วเนี่ยแต่คจริงซื้อ15บห้าทสมาได้เอาแทนขื้อมาสิบี่สิบบาทนะขอให้ได้มขอๆตัดสินใจหเพื่อนกันนั่นเงไหเนี่ย ไ, ได้เหมือนกันได้เน้าบาทเนี่ครับไม่ได้เป็นงานเองไม่ใช่เรื่องเราซื้อสิบห้าบาทขายยี่สิบบาทกำไมห้าบาทล้วแทนคืนค่ากู้ค่ารถเ ล, ล็บอนี้ค่ารถเนี์กุ้งแหนไอที่หน้าก็พูดอย่างนั้นเรื่อยๆอย่าไปพูดในเรื่องสินเรื่องอะไรทั้งหมดอย่าไพูดให้เสียรักษาคนรักษาสินเนี่ยใครก็รู้ว่ามาห้าแม่ค้ามาอาที่ย์หน้ามารับของเขา การเมลุพื้นผิดมู้ษาไม่โกหกสุราไม่คิดได้ดีนั่นพูดจนตายพูดจนตายไม่รู้แม่ค่าสัตว์สัตว์นั้นคือวพวกคนมันต้องอีกอย่า่าสัตว์อย่างที่สัตว์จะเป็นของจริงอย่าไปฆ่าห้มันตายมรรคผลนิพพานมันมีอยู่ในเนาเนี่ยเนี่ฆ่าสัตว์อันนี้แกสัตว์อันนั้นคือพวกคนป่าเขาไปดัาขึ้นมาไม่ต้องพูดกันได้เรื่องนี้พอเราให้สัง สิ่งสี่สิ่งคนปามีสี่ข้อไม่มีสิ่งห้าเนี่ยพ่อคุณเล่าให้ฟังอาธินาแม่นักของเขาอย่าไปจําตําราอย่าไปพูดมากเรื่องตำรับตาราบัดนี้การไม่ไม่ประพฤติผิดคือไม่คุมเห็นเติง้ายเขาคือไม่คุ้มไม่คุ้มคืนขยันทั้งนั้นให้มันพอดีพอดีคือนมาถ้าไม่เป็นของเราอย่าไปเอาถ้าเป็นของเราเขาเอาไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอย่างนั้นสมมุติเขามีมีอาหารดีๆครับ ห้อยห่พอเด็กเราไปถึงเขายกให้เขากินแม่อาหารเนี่ยกินไม่กินไม่ได้ไม่กินผิดเขาเป็นอย่างนั้นเราต้องกินรู้จักประมาณโพสเนมัจจากยกผ้าพโพสเนมัจจากยกสายอันนี้ยภกภ้าปักจริงไม่ได้ให้รู้จักกินให้รู้จักพอมให้รู้จักกันวาอยมุ่สาไม่โอหกไม่หลอกลวงพูดตรงไปตรงมานกินตั้งกิ น, จ, กน จ, รจริงจริงสุราไม่ดื่มไม่เมา อันะคำพูดแต่โหมดจริงมันนิดเดียว น, นั่นเองคือจะฆ่าตัวเองและตายไปทั้นั้เนี่ยดีกว่ามันไม่เข้าใจเลยอันนี้เข้าใจเมื่ออายุสี่สิบกปีมานี่เดียวไม่ต้องรักษาศีนลนะถ้าศีลมารักษาเอาเองนั่นเองเราต้องเข้าใจคำว่ารักษาศีลเนี่ยทุกคนรักษาศีลมาตัวของอัตมารักษาศีลมาตั้งแต่เมื่อเป็นหนุ่มไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดละวังกลัวผิดศีล ยิงยิ่งกลัวเขายิงผิดไปมากยิ่งกลัวเขายิงผิดไปมากจริงๆเรือเ่องนี้เป็นอเรื่องเล็กน้อยอย่างเข้าใจที่พูดให้กั่งนี้ใครทำได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราดูใจของหมอทําได้ไหมเดี๋ยวนี้มันมีสตยิยกมือขึ้นยกมือขึ้นเดี๋ยนี้ใครรู้เดี๋ยวนี้รู้จิตใจเราสบายเดี๋ยนี้ใครรู้มันยกมือสูงๆเลนี่ต้องทําได้ทุกคนเะเพราะมันมีแล้วเนี่ย ดูอย่างนี้แหละดูใจเร่องนี้ไปดูจางนี้แหละไปเขียนหนังสือก็ดูอย่างนี้แหละดูเขียนหนังสือเป็นเนี่ยกิขยนข้าวไปนเนี่ยก็ดู่ากนี้แหละดูไปวันจะคิดวกนั้นอ๋ที่ตรงนี้เองมันจะรู้ทันทีเลยรู้แล้วมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นเหมือนกับที่เราเอาผลไม้ไปวางให้ดินที่มันสุนม่มันนานานพืชมันจะงวกออกมาจิตจิตเราไม่ได้เอาไปเพราะลงวันนี้จะงอกมาวัานนี้มันไม่ได้้างั้นเข้าใจ อย่างที่หนูว่าจะมาจริงๆเนี่ยเอารับโลกสามปีนี้ไม่พลาดเลยไม่พลาดจริงๆแต่ว่าพวกนี้อาจจะนานไปสามปีเขาจะไปทําวันหนึ่งจะได้ส่วนวงเดียวหรือวันหนึ่งจะได้ห้านาทีหรือสองนาทีก็ยังดี mm hmm. หนูอยู่เนี่ยวันหนึ่งสิบสองส่วโมงอย่างน้อยต้องได้หกส่วโมงเอาวันนี้วันหนึ่งสิบสองส่วนวงอย่างน้อยมันจะได้สิบส่วโมงมันจะลดไปบัด น, นี้วันหนึ่งสิบสองมันจะได้สิบสองส่วนวงเป็นเตี้ยบเลย จะมาทำจริงๆในนักเราไม่พลาดจะฆ่ากับนักท่ามากรมาไม่เป็นไรจะเป็นนักปู้นนักจี้มากรมาเคยสอนมาแล้วเรื่องนี้เคยสอนมาเป็นจำนวนมากแล้วคนเนี้เคยฆ่าคนมาแล้วเรื่องฆ่าคนในเรื่องเรื่องเรื่องจริญสติมีนเรื่องหนึ่งเป็คนละเรื่องกันยิ่ผู้คนจริงให้ฟังนี่นสมัยหนึ่งเมืองลาวกับเมืองไทยเป็นสงขามกันวันนี้สงคามเขาเรียกสงขามจีน อันนี้ผู้คนจริงให้ฟังเมืองลามันใกล้กับบ้านเรามาเขามีงูมีควยมากบันนี้พวกเรามันเียกว่ามีอํำ น, นาจก็เอาปืนเอาอะไรแต่ฆ่าคนทรงนั้นต า, ตายหมดเลยตายแล้วเอาควยเขาฆ่ามามาฆ่าอีกันนี้เขาคนนั้นเป็นลูกลูกเขาเป็นลุงเป็นน้อยน้อยเนี่ยไม่ตายพ่อแม่ตายไปเด็กคนนั้นก็นไม่ตามันก็เจ็บเจ็บในใจมันนะออค่าพ่อปู่ค่าแม่ปู่ออกควยปู่ไปแบบมันนั่นตาไหลยังไม่เตเลย ในค่าวนั้นดูมันอายุในต่างเจ็ดแปเปีเด็กน้อยจังได้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็แก้แค้นเลยดูว่มันพูดให้ควาว่ามันฆ่าไปเจ็ดศพเลยนะเพราะมฆ่าเจ็ดศพเลยเพราะมันล้างแค้นฆ่าพ่อผมฆ่าบัดนี้มันมาปฏิบัติธรรมะมันก็รู้แต่ว่ามันภารโทษนะมันคิดว่าแค่ดีหนะจินมันทีเดียวลูกขึ้นอย่างนี้เลยเฮ็ดจังใจอย่างนี้แหละมัน มันก็แค่ดินหยาดตรงนี้มันจะเอามันไปกินนะท่านพูดเนี่ยพอเข้าใจอาทำอะไรบ้าอะไรเนี่ยแผ่ดินกาลังดินห้าของเอกแผ่นดินห้าดเดินตาดีๆดูเนี่ยอ๋อบัไดผมไม่ได้ดูที่ดินผมดูไปุ้นไม่ได้ดูที่มันออกนอกตัวแต่ริบุปตรงนี้มันเข้ามันไปคิดไปยึดไปถือในตำหนักตำบาอยากเข้าใจยันเขาทํามาเอาไว้แต่นไม่ใขอให้ฆ่าคนนะเนี่ยไม่ใช่สอนฆ่า เมื่อไปพบอันนี้แหละมันจะรู้ว่าชีวิตทุกสีวิตเหมือนกับเรามันจะไม่เบียดเบียนคนนม่เบียดเบียนคนนี้ไม่เอาเปรียบใครเลยทําการทำงานจะทำหน้าที่เท่านั้นเองที่พวกเนี่ยก็พอพ อ, พอแล้วนี่ที่ว่าคงจะจําได้นะ่ะทำอย่างนี้แหละมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเดินจงกลมให้มากนั้งเมื่อคืนเน่ะทําอย่างนี้อย่ใบา้านนอนมันก็ต้องเอ๋อ วิธีนอนทําให้ดูนะนิดเดียวไม่ใช่จะทําวิธีนะจะจะนอนให้ดูทําทําจังหวะไม่ใช่จะทําจังหวะนอนนะั่คือมันไม่ได้ไไดทําอย่างนี้เสร็จแล้วเร็จเสร็จแล้วทำอย่างนี้นอนนะ่ะให้จังหวะนอนอย่างนี้เนี่ยหลับแล้วก็แล้วไป <laughs> ไม่ให้มันมีช่องว่างให้มันติดกันเหมือนลูกโซ่ถ้ามันค้างอยู่ข้างบนก็ลำบากไรกัน้างเนี่ยค้างก็แล้วไปมันหลับแล้วกระแล้วค้างอยู่เมื่อมันไม่มีสติกระแล้วไปมันอย่างนี้พอดีมันรู้สึกออกมาเลยพอดีเอาไปนี้มันลืมมันเอาไปนี้พอดีมันคิดได้มาออกมานี่เลยว่าแต่มันคิดได้ยามใดทำยามมันเลยไม่ปล่อยทิ้งเลยหายใจทิ้งไม่ออกเออเมื่อวานนี้แหละนอนตะแคงอ่ะนี่ ท่านนอนคนเยอะคงได้เพราะแต่สองคนทักยุงนน่งเนี่ยสอคนก็หันหลังให้กันจริงๆนะเนี่ย พ, พี่เคียนนะบันนี้ก็ทําอย่างนี้ก็ได้เนี่ย <S <S ยังนี้ยัเรื่อย <S <S หรือจะทําอย่างนี้ก็ได้ยุบพุทธแล้วก็มาทําอย่างนี้ก็กได้ ได้รู้สึกตัวอยู่สมอได้รู้สึกตัวอย่างเยให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่าเงี้ยให้มันหมุนได้ชั่วมงเดียวก็ยังดีนะห้านาทีก็ยังดีนะเนี่ยให้มันติดต่อกันเข้าไปแล้วมันจะไปหยุดได้เมื่อไหร่ต่างหากหยุดได้เต็มเมื่อเราเข้าใจแล้วทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันเป็นอัตโนมัติแล้วนะะนั้นเองไม่มีเรื่องตอนพอตอนที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันวุบเป็นหรือว่าค่อยๆเป็นอย่างที่คุณข่าวมาตกกระแสว่าอายุสี่สิบหกปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ลุงพ่อบุกขึ้นมาแล้วเข้าใจใ<น>มันทันทีเลยหรือว่าใใหรือว่าค่อยๆเข้าใจไป น, น, น้อยๆหละน้อยเอาสมมุติให้ฟังนะเอาของ ม, มาที่นี่เลยเอาของ ม, มาจะจาทให้ดูเอาอะไรเหรอครับเอามีนี้อันใดอันใดมางวนีัก็ได้มางกาเอาอะไรนะก็ไรคด้หรืออะไรบ้านีมีอะไร อ, นนอะไรแว่นตาอไที่มัาขอที่มังวมกันอย่างนี้เนี่ยมานี่มีมีมมขานมีอะไรงวมกันเนี่ยจะทำให้ดูเอาเรียกันเลยเอามาให้มง ง, ง, ง, ง, ง, งงอันนี้ไม่เห็นเอามาให้คลุมนี่นไอมาด้วยามาดะามาเนี่ยมีข้าววันนี้ๆๆนมันเป็นอย่าง